นิสสักคียะกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของปัตตวักวักว่าด้วยบาทเป็นวักที่สมมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งปัตตวักในนิสสักคียกันห้ามเก็บบาทเกินหนึ่งลูกไว้เกินสิบวันภิกษุชพคีสะสมบาตไว้เป็นอันมากถูกมนุษย์ติเตียนว่าเป็นพ่อค้าบาท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเก็บบาทอติเรกคือที่เกินหนึ่งลูกซึ่งเกินจำเป็นสำหรับใช้เป็นประจำถ้าเก็บไว้เกินสิบวันต้องนิสัขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่สองปัตตวัคในนิสัขิยะกันห้ามขอบาทเมื่อบาทเป็นแผลไม่เกินห้าแห่ง ช่างหม้อภา ร, รณาให้ภิกษุทั้งหลายขอบาตได้แต่ภิกษุทั้งหลายขอเกินประมาณจนเขาเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขอบาตต้องนิสสัคยะปาจิตตีภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงผ่อนพันให้ขอได้ในเมื่อบาทหายหรือบาทแตกหรือบาทเป็นแผลเกินห้าแห่ง สิกขาบทที่สามปัตตวัคในนิสักิยะกันห้ามเก็บเพสัตห้าไว้เกินเจ็ดวันมีผู้ถวายเพสัตห้าสำหรับคนไข้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแก่พระปิลินทวัชชะท่านก็แบ่งให้บริษัทของท่านซึ่งเป็นภิกษุภิกษุเหล่านั้นเก็บไว้ในที่ต่างๆเพสัตก็ไหลเยิ้มเลอะเทอะ วิหารก็มากไปด้วยหนูคนทั้งหลายพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้เก็บเภสัตห้าไว้บริโภคได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันต้องนิสัขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่สปัตตวัคในนิสัขิยะกันห้ามสแสวง และทําผ้าอาบน้ําฝนเกินกําหนดภิกษุชพักคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนจึงสแสวงหาและทํานุ่งก่อนเวลาจะถึงหน้าฝนต่อมาผ้าเก่าชํารุดเลยต้องเปลือยกายอาบน้ำฝนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้สแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ได้ภายในหนึ่งเดือนก่อนฤดูฝนให้ทานุ่งได้ภายในสิบห้าวันก่อนฤดูฝนถ้าสแสวงหาหรือทำก่อนกำหนดนั้นต้องนิสัขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่ห้าปัตตวัคในนิสัขิยะกันให้จีวรภิกษุอื่นแล้วห้ามชิงคืนในภายหลัง พระอุปนนทสักยบุตรชวนภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปชนบทเธอว่าจีวรชำรุดมากเธอไม่ไปพระอุปนนทจึงให้จีวรใหม่ภายหลังภิกษุนั้นเปลี่ยนใจจะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอุปนนทโกรธจึงชิงจีวรคืนมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธไม่พอใจชิงคืนเองหรือใช้ให้ชิงคืนมาตองนิสักขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่หกปัตตวัคในนิสักขิยะกันห้ามขอได้เอามาทอเป็นจีวรภิกษุฉัพั ค, คี เที่ยวขอได้เขามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรได้เหลือก็ไปขอเขาเพิ่มให้ช่างหูกทอเป็นจีวร อ, อีกได้เหลืออีกก็ไปขอได้เขาสมทบเอาไปให้ช่างหูกทอเป็นจีวร อ, อีกรวมสามครั้งคนทั้งหลายพากาันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขอได้เขาด้วยตนเอง เอามาให้ช่างหูทอเป็นจีวรต้องนิสักคยะปาจิตตีสิกขาบทที่เจ็ดปัตตวัคในนิสักคยะกันห้ามไปกำหนดให้ช่างหูทอให้ดีขึ้นพระอุปนนทสักยามุตทราบว่าชายผู้หนึ่งสังภริยาให้จ้างช่างหูทอจีวรถวาย จึงไปหาช่างหูสั่งให้เขาทอให้ยาวให้กว้างให้แน่นเป็นต้นได้ที่ให้ไว้เดิมไม่พอช่างต้องมาขอได้จากหญิงนั้นไปเติมอีกเท่าตัวชายผู้สามีทราบภายหลังจึงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าภิกษุที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนไปหาช่างหู ให้ทออย่างนั้นอย่างนี้ตนจะให้รางวัลบ้างครั้นพูดกับเขาแล้วให้แม้เพียงเล็กน้อยสักว่าบินทบาทต้องนิสัขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่8ปัตตวัคในนิสัขิยะกันห้ามเก็บผ้าจำนำพรันรษาไว้เกินกำหนด พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้รับผ้าจำนำพรรษาที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาก่อนออกพรรษาแล้วเก็บไว้ได้แต่ภิกษุบางรูปเก็บไว้เกินเขตจีวรการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้รับผ้าจำนำพรรษาได้ก่อนออกพรรษาสิบวันแต่ให้เก็บไว้เพียงตลอดการจีวรเก็บเกินกำหนดนั้น ต้องนิสักขิยะปาจิตติสำหรับข้อนี้ถ้าจำพรรษาครบสามเดือนเก็บได้หลังจากออกพรรษาหนึ่งเดือนถ้าได้กรานกระถินเก็บต่อได้อีกสี่เดือนจึงเป็นห้าเดือนสิกขาบทที่9้าปัตตวัคในนิสักขิยะกันห้ามภิกษุอยู่ปา่าเก็บจีวรไว้ในบ้านเกินหกคืน ภิกษุจำพรรษาแล้วอยู่ในเสนาสนะป่าพวกโจรรู้ว่ามีจีวรก็เข้าแย่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่ป่าเก็บจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในบ้านได้ภิกษุจึงเก็บไว้ในบ้านเกินหกคืนจีวรหายบ้างหนูกัดบ้างจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุอยู่ป่า เก็บจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในบ้านได้แต่จะอยู่ปราศจากจีวร น, นั้นได้ไม่เกินหกคืนถ้าเกินไปตอนนิสัขิยะปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติคือสงประชุมกันสวดประกาศเป็นกรณีพิเศษสิกขาบทที่สิบปัตตวัคในนิสัขิยะกันห้ามน้อมลาบสงมาเพื่อตน ภิกษุฉับ พ, พักขีไปพูดกับคณะบุคคลซึ่งเตรียมอาหารและจีวรไว้ถวายแก่สงเพื่อให้เขาถวายแก่ตนเขาถูกรบเร้าหนักก็เลยถวายไปความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุรู้อยู่น้อมลาบสงมาเพื่อตนต้องนิสัขยะปาจิตตี